وعليكم حملتم تهتدوا وإن طيعوه تهتدوا ว َمَا على ََ الرسول َُِّ إلا َِّ البلاغ ََُْ المبين ُِْ وعَدَ َ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الذ من مِنْكُمْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ك َ م َ ا ا س ْ ت َ خ ْ ل َ ف َ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ กินนั่ م แหละหุ่มดีนั่นหุ่มละทิรท้าท้าล่ะ ل ุ่มว ب า د ายบัดเดินนัِ่หุ่มมิ م ัติข้าว ه ิหุ่ม ي ع ب ُ ن َ ن ِ ي لا يُشْرِكُ ن َ ب ِ ي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 รดีตุบิลล و ب ا ل س ل ا م มิเดนและบิมุฮัมมัดอ ل ร์สุลล์อัลลอฮุมะยินอั้งอุบุกับ ا ิเนลเค ن ล์และสูอ ن ا คิบริรับ ا ل อ ب ر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ทีนี้ที่มองที่ร่วมลมาบที่มัสยิด ของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เป็นวันสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นวันหรือว่าวันอารฟะวันอารฟะนี่เป็นวันที่พีน่น้องมุสลิมเรา <c oughs> หลายล้านคนเนี่ยนอบนอบ้นอมถ่อมตนต่ออัลลอ์อยู่ที่ทุ่งอะไรนะทุ่งอารฟะอัลลอ์อภัยโทษ ปดปล่อยออกจากนรกเนี่ยวันนี้เนี่ยเยอะมากเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่ <c oughs> นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นะครับร้อมให้นึกถึงความผิดในอดีตนะครับที่ทุ่งอารฟฟะคือพื้น้องที่ประกอบพิธีฮัจ์ส่วนพวกเราที่ไม่ได้ไปอยู่ในทุ่งอารฟฟะอัลลอฮ์ บอกกับนบีให้นบีมาสอนว่าให้เรานี่ถือสินอดในวันนี้เพราะการถือสินอดในวันนี้อัลลอฮ์ให้พิเศษเนี่ยสองรายการสองปีอภัยโทษให้สองปีเอาไหมทุกคนอยากได้อยากได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูดาร่าถึงสองปีเพราะฉะนั้นวันนี้นบีสั่งให้เราบวชนะครับ แล้วก็บางคนก็โทรสท์มาถามว่าเนียดยังไงล่ะาถามว่าเนียดยากหรือเนียดง่ายไม่ยากฉันถือสินอดในวันอาราฟลฟ า, าลินลาอิจาลาก็แค่นี้อันเนียดนะมาจะพูดนะนึกในใจนะพอแล้วอลัลลอฮ์ลดโทษให้สองปีปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่ปีที่จะถึง อ, อัลลอฮฺอัลวา นี่ถ้าทุกคนอ่านฮะดีสด้วยความตั้งอกตั้งใจพิจารณาอยากบวช ด, ด้วยกันทุกคนเลยเราก็ฝึกลู ก, ล, กลูกและหลานให้บวช ด, ด้วยนะอธิบายนะอธิบายถึงความสําคัญในวันอาราบวะให้ลูกลกลห ล, ลานเข้าใจ <c oughs> ขอบคุณนบละนะที่เราได้ทบทวนอัลกุราอานการวันนี้มาถึงสุราอันนูรอายะที่ห้าสิบสี่วันนี้แค่สองอายะนี่เพราอายะ ค่อน ข, ข้างยาวนะสองอายาเนี่มีความรู้เยอะมากนะครับพี่น้องอายาทั้งสองนี้เนี่ย <c oughs> สอนให้เรานึกในอดีตนึกประวัติศาสตร์นึกถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลต่านมันนึกถึงตัวเราแล้วก็นึกถึงคอลิฟ้าทั้งสี่นึกถึงท่านนาบีแล้วก็นึกถึงรัฐอิสลามที่อัลลอฮ์ให้ ให้มุสลิมคอลิฟะทั้งสี่เนี่ยปกครองรัฐอิสลามประมาณ30สิปีแล้วก็คนเข้ารับอัลอิสลามกันเยอะมากเลยในช่วงนั้นนะครับวันนี้มเมามาถึงอายาที่54บนะครับอายาที่53าเนี่ยขอทวนนิดนึงนะครับมีอยู่คำหนึ่งนะตออาตุมะอูรูฟะ อยากจะให้พี่น้องเนี่ยจำมายานีนะวัดนี้แหละตออาตุมมาอูฟะแปลว่าการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลอลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยปฏิบัติตามอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขพอเราเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์เข้าใจเรื่องอีมานหกข้อเข้าใจเรื่องอิสลามห้าข้อพี่น้องน้อมรับคําสั่งของอัลลอฮ์ นะครับเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์เพราะคนที่น้อมรับคําสั่งของอ AH, ัลลอฮ์เราก็เชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ผ่านนาบีเนี่ยได้รับความสําเร็จในชีวิตกันหมดแล้วนะครับตออาตุมารูฟะเชื่อฟังปฏิบัติตามของอัลลอฮ์โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องไปสาบงสาบานอย่างที่คัวมูนาฟิกชอบสาบานอัลลอฮ์กันเล่าแล้วสาบานน่ยผู้จะปกป้องตัวเอง สาบานเพื่อให้มองดูเป็นคนดีสาบานเพื่อให้เขาไว้ใจไม่ต้องทำถ้ารับอัลอิสลามแล้วก็น้อมตัวเองน้อมรับคำสั่งของอัลลอ์มารูฟะโดยความสมัครใจเลยนะครับต่อมาครับอายาที่ห้าสบสกุลอัติอัลลอฮวาอติอัลรัสูล ف َ إ ِ ن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا ح ُ م ِ ل َ وَعَلَيْكُمْ م َ ح ُ م ِ ل ت ُ م ْ و َ إ ِ ن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ا ل ل ه أ ك ب ر قل أطيع و الله ا وأطيع و الرسول ا فإن تولوا فإنما عليهما حملة وعليكم ما حملتم وإن ت طيعوه ت ه ت د و ا لا لا <c oughs> ว่ามา على الرسول إلا البلاغ المبين الحمد لله ขอบคุณ a ลอ a h กุลกุลเนี่ยแปลว่าเนี่ย Allah เป็นคำสั่งของ Allah นะผมบอว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงอะไรนะจงประกาศจงตะเบี๊จงดะะ่าว่าจงเชิญชวนจงพูดกุลแป่จงพู ด, พดถ้าหน้าที่ของนบีก็ดะะ่าว่า จงพูดกับใครนะจงพูดว่าอย่างนี้อาตีเอลาลอท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังปฏิบัติตามใครอัลลอฮ์จงเชื่อฟังปฏิบัติตามอลาัลลอฮ์ทนี้ปฏิบัติตามอัลลอ์เชื่อฟังอัลลอฮ์อธิบายยังไงอุลามะตัฟซิด ท, ทั้งหมดอธิบายเหมือนกันหมดเลยจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลกรุรอานคำว่าอัลลอ์ก็คืออัลกรุรอาน ชายตอนพี่น้องครับต้องอ่านอัลกุรอานต้องอ่านกุรอานแล้วกุรอานเนี่ยไล่ชายตอนไล่ยินได้ด้วยเนี่ยกุรอานอ่านเถอะนบีกาหนดเอาไว้อ่านสุร่าไหนก็ได้ น, น, นคัพีกุรอานหรือเจาะจงอ่านอ่านสุร่ากาตีห้นี่อ่านร่าบะกลอห์นี่อ่นอายะกุศีนี่อ่านสองอายะสุดท้ายของสุร่าบะกลห์นี่ อ่านกูทุกัลลอฮฺาวะฮัดอ่านสัมกุลกุลอางุษุบิรอบบิลฟะละะาลาตกุลอางุษุบิรอบบิลนะไลจินละชัยตอนมดเลจ้าที้คนที่ไม่อ่านคุงอ่านเนี่ยถามว่ายินกับชัยตอนเน่ะที่ตัวเขาและที่บ้านเขาเนี่เยอะไหมยเยอะเต็มไม่หมดอนะ่ะแต่อัลลอฮฺก็พูดใ น, นกระรีกุูอ่านอธิบายบอกว่าคนที่อยู่กับชัยตอนเนี่ยนะอยู่นานๆเนี่ยมันก็มองไปเรื่องถูกต้องเลย ที่ฉันอยู่อย่างนี้นะ่ะถูกต้องแล้วทําไม่หลงไปเลยนะ่ะไปเสริมนึกตัวอีกทีตอนวิญญาณออกจากรา่างโอ้โหท่านพลาดไปแล้วไปเห็นมลายกะเห็นนรกเห็นสวรรค์เพิ่งจะนึกถึงคำสั่งของอัลลอฮ์ึกขุนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮะสัลลัมครั้งที่แล้วที่อธิบายว่าจะปฏิบัติตามนาบีเนี่ยต้องมีกี่ข้อนะสิบข้อ คนจะปฏิบัติตามนบีต้องเรียนรู้ถึงสิบรายการนะนะอัลลอฮฺบอกว่าหนึ่งรักนบีสองปฏิบัติตามนบีสมอีมานตัวท่านนบีสี่ปกป้องท่านนบีห้ารักครอบครัวนบีเห็นไหมแล้วก็เกลียดนบีเกลียสิ่งที่นบีเกลียก็เกลียดตามนบีด้วยนบีชอบอะไรชอบตามนบีด้วย ขอเล่าตัวนี้ดีอย่างมิวซา บ, บา น, นาบีบางคนเนี่ยไม่ชอบกินผักก็มีมีแต่พอเห็นท่านนาบีเนี่ยชอบทานผักน้ำเต้าชอบน้ำเต้าวันเห็นยังไงวันที่ท่านนาบีมาพักอยู่ที่บ้านอายุอันซอรีเนี่ยหลังจากอุพยพจากนครมักกะมาทีนครมดีนะทุกคนอยากให้นบีพักอยู่ที่บ้านหมดเลยแต่นบีก็ ให้ดูอูดชั้นอูดชั้นนอนอยู่หน้าบ้านใครบ้านนั่นแหละเป็นบ้านที่ชั้นจะอยู่อาศัยอูดที่ท่านนาบีขี่มาเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านอายุอันสอรีนบีก็เลยอยู่บ้านอายุอันสอรีท่านอายุเนี่ยสังเกตว่าท่านนาบีเนี่ยทานอาหารยังไงสังเกตตลอดเวลาเลยมยีวันหนึ่งเนี่ยอาหารที่บ้านที่ทำเลยนะมันมีน้ำเต้า ผัดน้ำเต้ากับเนื้อเนื้อแห้งท่านอบีชอบสองรายการนี้นะเนื้อแห้งอ่ะไอ้เนื้อแห้งเราเราเขชอบเลนะเ น, เนื้อเค็มตากแห้งนะแดดเดียวหรือสองแดดก็ได้นะนบีชอบแล้วห์อบกระจายนะไอ้นี่ไอ้น้ำเต้าอ่ะอายุนี่ทานน้าเต้าหลังจากเห็นนบีทานน้าเต้าชอบทานน้าเต้าเลย ละซอบานนบีอีกหลายคนเนะ่เรียนแบบนบีเพราะว่านบีชอบอะไรต้องการจะเรียนแบบชอบตามนบีเห็นยังบางคนเนี่ยอย่างลูกหลานเราเนี่ยบางคนไม่กินผักมีใช่ไหมโอ้โหจากนั้นแต่เราอบรมดีๆนะรักนบีนะรักรอซูลนะรักสอบานนบีนะนบีชอบทานผักนะมีอยู่สองรายการทียนบีชอบนะน้าเต้ากับอะไรนะฟักทอง น้ำเต้ากับฟักทองเนี่ยบีชอบมากเลยนะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วนะฟักทองเนี่ยเป็นอาหารสำหรับใครนะคนผู้ใหญ่อายุเจ็ดสิบแปดสิบทานฟักทองเนี่ยดีเด็กก็เหมือนกันกินฟักทองเห็นไหมของที่นบีทำทั้งหมดนี่มีบรารัการหมดเลยฉะนั้นนักวิยาศาสตร์เพิ่งไปวิจัยวิทยาศาสตร์อัละมร่รวมกันนะไปวิจัย ฟักทองกินยังไงเป็นยังไงน้ำเต้าเอฟักทองน้ำเต้าเป็นยังไงของที่นบีชอบมาเลยเอ้าเล่านีดต่อยนะอุลอาติอัลลอฮวาอตีอัลรอซูนจงกล่าวเธิดมื่อห้มท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอลัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์นี่ไม่หลงนะเพราะอลัลลอฮ์เป็นเจรร้าของโลกใช่หรือไม่ใช่ไ อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างสรรัตว์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างแต่เพียงผู้เดียวดัานั้นเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มารู้ดีว่ามนุษย์ต้องการอะไรนะครับว่าอาตีเอารอซูลแล้วก็จงเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์มีสองรายการเองเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ จงเชื่อฟังปฏิบัติตามรอสูตหมายถึงน บ, บีคนสุดท้ายนี่แหละท่านน บ, บีมุฮัมมัดสุลตานอวสัลลัมคนในยุคก่อนเนี่ยเวลานบีมูซามาอีซามาเนี่ยเขาสั่งนะให้รอเดี๋ยวนายังยังบีนั บ, บีมาอีกคนหนึ่งนะก็นั่นรงรอกันนะ <TE G 1> แต่ยุคน บ, บีนี่ไม่ต้องไม่รอเปาไม่ต้องรอนะน บ, บีอัลหมัดเป็นน บ, บีคนสุดท้ายนะจบแล้วนะไม่มีน บ, บีมาอีกแล้วนะจะนั่นเชื่อ ฉันปฏิบัติตามฉันที่ถูกต้องที่สุดแหละอต่อมาครับฟฟอินตะวัน ล, ลาวท่าหาอันนี้คำถามอยู่ดีนะแต่ท่าหาพวกท่านนี่หนะันหลังให้คือปฏิเสธอัลลอ์และปฏิเสธรสูนของอัลลอ์ถ้าหันหลังให้กับ น, นบีม د, AH. ุฮัมมัดอัลลอ์เป็นเป็นยังไงรู้ไหม ฟาอินน่ามาอาไลฮิมาฮุมมิลาอาไลคุมหันหลังให้กับสุนนะนบีหันห ล, ลังให้กับมุฮัมมัดสโลนอวสัลลัมหันหลังให้กับสุนนะนบีในเรื่องใหญ่นะหันห ล, ลังให้กับสุนนะนบีนะ่ะล้อเลี้ยวสุดๆแล้วว่านะ่ะศาสนาไม่เหลือแล้วนะะในวันนี้ที่ถือบวชกันในวันนี้นะ่ะหันหลังหรือว่าหันหน้า หันหน้าเห้าเข้าหานาบีถือบวชกัน ท, ทั้งโลกเลยวันนี้มุสลิมทั้งโลกเลยถือบวชหมดเลยประมาณสองสองพันกว่าล้านถือบวชหม ด, ดไอ้คนบวชไม่ไหวก็มีคนกโยกเว้นกันนะฝ่าอินตะวันเราแต่ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายนี่หันหลังกลับไม่ยอมเชื่อฟังคือแม่น้าที่ของนบีนะทำอะไรคุณอ่านอธิบาย ฝ่ายอินนามาไลแท้จริงหน้าที่ของนบีมุฮัมมัดก็คือมาฮุมมิลละมาฮุมมิลละหน้าที่ของนบีมุฮัมมัดคือที่เขาถูกรับภาระมาะเท่านั้นนบีถูกรับภาระมาะหน้าที่ของนบีที่อัลลอฮ์กำหนดนมีอะไรบ้างรู้ไหมมีหน้าที่เดียวสอนสาศาสนาให้ประชาชนได้รู้จักอัลลอฮ์ มาหุ่มไม่ละหุ่มไม่ละแปลว่าหน้าที่ที่ดูถูกแบกภาระหามละลาแปลว่าแบกหุ่มไม่ลถูกแบกภาระฉะนั้นหน้าที่ของนบีที่อัลลอฮ์กำหนดให้นบีทํางานนี่นะก็คืองานเผยแผ่ศาสนางานเผยแผ่ศาสนาเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่สอนอย่างเดียวต้องอดทนด้วยนะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเยอะด้วย ที่ถาว่านาบีไม่เรียนหนังสือแล้วใครเอาความรู้มาให้อ่ะยิบรีลอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์มานั่งคุยกับนบีมอบความรู้ให้ท่านนาบีสอนได้ทําอย่างงี้ทําอย่างงี้ทําอย่างงี้ทําอย่างงี้เห็นไหมแค่ท่านหน้าที่ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยคือมาสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เท่านั้นเองผมลู้ว่าถ้าหากพวกเขาหันหลังให้กับ น, นบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีลงโทษเขาได้ไหมไม่ได้ เพราะหน้าที่ของนบีมาหุ้มมิลาอะไรที่ถูกมอบภาระให้ปฏิบัติเท่านั้นก็คือมาสอนอิสลามมาอธิบายอิสลามท่า น, นสุนนะนบี น, นี่ของของที่ท่านนาบีนสอนเนี่ยมีสามรายการใช่หรือไม่ใช่ที่เรียกว่าสุนนะสุนสนะมีกี่มีกี่ข้อนะสามข้อหนึ่งสิ่งที่ท่านนาบี พ, พ, พูดพูดพูดพูดพูดเป็นสุนนะหมดเลย สองสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติเป็นสุนน้าทั้งหมดนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ปฏิบัติแต่สัฮาบานบีปฏิบัตินบีเห็นนบียอมรับเป็นก็เป็นสุนน้าของท่านนบีนะครับตกลงว่าสิ่งที่ท่านนบีหุมมิล่าถูกรับภาระเอามาสอนะเป็นสุนหน้าหมดเลยอย่าปฏิเสธสุหน้านบีไม่ได้เลย เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านนาบีพูดมีอะไรยกตัวอย่างข้อเดียวนะและสิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติมีอะไรบ้างเสิ่งที่ซอบ้านนบีปฏิบัติมีอะไรสมรายการเดี๋ยวจะอธิบายจากอาย่านี้นะครับเอามาดูศั์ก่อนนะครับท้งหาท่านทั้งหลายเนี่ยปฏิเสธนะปฏิเสธนบีปฏิเสธสุนานะนบีฟาอิ น, นามาอาไลฮีหน้าที่ของนบี มาฮุมมีลาที่ถูกรับภาระมาเท่านั้นฉะนั้นคำว่ารับภาระที่นี่หมายถึงนบีมีหน้าที่นำเอาอิสลามจากอัลลอ์มาสอนให้ประชาชนให้สบาบ้านนบีได้เรียนรู้ในวันนั้นวันนี้ก็เหมือนกันหน้าที่นบียังอยู่นะถึงนบีจะกลับไปหาอัลลอ์แล้วก็กตามแต่ว่าคำสอนของนบีนั้นจะต้องเหลือถึงวันตียมะ แล้วใครรับผิดชอบล่ะก็พวกเราที่นั่งอยู่นี้แหละเอาความรู้ที่ผ่านนาบีนี่ไปสอนต่อไปด่ว่าต่อทํางานาศาสนาต่ออาชีพทําได้ทุกอาชีพยกเว้นของฮารามท่า น, นทุกครั้งที่เราออกจากบ้านให้นึกแบบนี้วันนี้ฉันจะออกจาก้านไปทํางานาศาสนาเจอใครสักคนหนึ่งพอจะคุยกันรู้เรื่องเรื่องอิสลามเราคุยเลย เพื่อนทำงานกันมากันนั่งโต๊ะใกล้เคียงกันมานี่ยสิบปีแล้ววันนี้จะคุยเรื่องอิสลามให้เพื่อนฟังมันต้องนึกแบบนี้ครับหน้าที่การงานก็ปฏิบัติไปแต่หน้าที่ที่ใหญ่กว่าก็คือพยายามพูดยั่งอิสลามเนี่ยให้คนรอบๆตัวเราได้เข้าใจอิสลามผมไปพบกับเยอรมันคนหนึ่งที่รับอิสลามเพราะลูกชายเนี่ยนั่งคุยกับผม เขาว่าคุณทับ伊斯兰เพราะเหตุไดเขาเล่าชีวิตของเขาเขาอยู่ในซาอุดีในสิบปีแต่คนซาอุดีเพื่อนเพื่อนเขาไม่เคยพูดเรื่มเอาล้อเล่าซูลให้เขาฟังเลยสิบปีไม่เคยได้ยินแต่ลูกของเขาเนี่ยรับอิสลามพอรับอิสลามเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพ่อก็มีบริษัทถแถวๆนี้ไร่กระ บ, บงังแถวโน้นนะะระยองแถวนู้นนะลูกชายไปกับเพื่อนห้าหกคน ไปถึงก็ไปหาพ่อพ่อต้องการพบห้านาทีไปถึงก็พ่อก็ตอนรับเพื่อนลูกมาก็เขียนเนี่ยเลออิเลฮะอิลลอลหละปะอธิบาย t h e r e is no God but Allah เขียนทิ้งไว้งั้นแหละถึงก็ให้พ่อคุยว่าที่มาวันนี้ต้องการจะเอากระดาษแผ่นนี้ให้พ่อเลออิเลฮะอิลลอลไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรจะการขอรบพักดีนอกจากอัลลอฮ์องเดียว กินน้ำกินน้ำชาญนแก้วห้านาทียื่นกระดาษแล้วสลายมลคกกุปลาเลยพ่อก็อ่านวักเนี่ยเอ้มันแปลว่าอะไรแปลได้จะอธิบายไม่ได้ก็ต้องโทรสทรไปถามใครแต่ใครพวกพวกที่เป็นมุสลิมเนี่ยจนกระทั่งเข้าใจอิสลามและรับอัอิสลามเพราะลูกชายก็านั่งรอมให้เขาว่าโอ้โหดีใจมากได้ลูกชา ย, ชายมาสอนกาลิมาเดียวห้านาทีลากับรับอิสลาม การนครับหน้าที่ของนบีคือมาสอนอิสลามให้คนได้รู้จักอัลลอห์และละซุนวันนี้นบีไม่มีแล้วเป็นหน้าที่ของใครรับรับรับไม้ต่อของพวกเราวันนี้นะช่วยกระทำงานศาสนาของอัลลอฮ์นะครับเพราะงานศาสนาเนี่ยเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดและเป็นงานที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ที่สูงที่สุดท่าว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับการต้องพูดจาดี ต้องมีอัคลากดีมันประกอบกันหลายๆอย่างนะครับอัคลากดีนิสัยดีตรงมีอัมาน่าตรงต่อเวลาถ้าเราสแสดงด้วยอัมรยาของท่านนบีเอามาใช้กับสังคมนี่นะเราทำด้วยละเพราะคนกาเฟสเนี่ยเขาไม่มองท่า น, นมาจงเราหรอกมองได้ไม่มองเขามองโดยการถือสิ่งโกรมก็ไม่มองเขาไม่มองเรื่องฮาจีเขาไม่มองเขามองมารยาของมุสลิมว่าหลังจากนมาแล้วเองได้อะไรจากนมา ถือบวชแล้วเอาข้อคิดจากการถือเสื้อวดนั้นไปใช้ข้างนอกไปใช้ที่ถนนไปใช้ที่ตลาดไปใช้ที่ออฟฟิศไม่ใช่เอาท่าหนามาอวดเขาไม่ใช่เอาชุดอรรอมไปอวดเขาเขาไม่มองตัวนั้นเขามองที่อัคราของมุสลิมแต่ละคนแต่ละคนตัางหากนะครับเอาต่อมาครับตัวหลวงว่าหน้าที่ของนบีมาฮุมมีละ ที่ถูกพรับภาระมาะก็ได้นะอะต่อมาว่าอะไรกุมมาฮุมมิลต um ุม um อ๋อ น, นี่เป็นต้องอ่านแต่ละวกักแต่ละวักนะว่าอะไรกุ um ่มหน้าที่ของพวกท่านของพวกเราเนี่ยหน้าที่ของพวกท่านน่ะหน้าที่อะไรรู้ไหมมาฮุมม um ิลตุม um ที่พวกท่านทั้งหลายถูกรับภาระ หน้าที่ของนบีถูกรับภาระจากอัลลอฮ์มีอะไรแยกกันใหชัดเจนหน้าที่ของนบีมาสอนหน้าที่ของพวกเรารับคำสอนจากท่านนาบีแบบเต็มเต็มเลยนบีพูดอะไรรับเอามาเลยนบีสอนอะไรรับเอามาเลยนบีทำอะไรรับเอามาใช้เลยส่อบาปนาบีทำต่อหน้านาบีนบีไม่ได้ปฏิเสธรับเอามาเลยหน้าที่ของพวกเรามีสามอยา่าง เรียนสุ น, นาของท่านนาบีให้เข้าใจว่านาบีกินอาหารยังไงนบีนอนยังไงนบีเข้าห้องน้ำยังไงเรียนแบบนบีแล้วก็เรียนแบบซอฮาบะท่านนาบีจึงจะได้รับความสําเร็จในชีวิตถ้าอย่างนั้นไม่สําเร็จครับอานี้เตือนหน้าที่ของนบีคือมาสอนว่าอะไรกุมมาหุมมิลตุม่มและหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลๆมาถึงมาหน้าที่ของซอฮาบะเนี่ย หน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็คือมาฮุมบิลตุมที่พวกท่านทั้งหลายถูกรับภาระมาคือภาระก็คือให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามเท่านั้นไม่ต้องไปคิดเรื่องาศาสนาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอิสลามที่ม่อเผยนบีนะครบยัง <c oughs> สมบูรณ์แล้วครบแล้วไม่ต้องไปคิดเองเรื่องาศาสนาเพราะว่าหน้าที่ของมูฮัมหมัดนนะํามาสอนครบยัง อายันไหนครับอัลย่าุมะอัคลตูละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอาไลกุมนียมาติวะรดีตุละกุมุลอิสลามดีนาในอายันสุรบะกรอดนี่ที่อ่านผ่านมาแล้ววันนี้อิสลามสมบูรณ์แล้วประทานอันลกุรอานลงมาให้ท่านนาบีว่าอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะว่าอัตมัมตนะุบฉันเนะ น, นะ น, นี่ยได้ทําให้ครบแล้วนะ ละช้นได้รอดีถูกพึงพอใจให้อิสลามนั่นเป็นทางนําสําหรับสู่เจ้าแล้วมาต้องไปคิดมีหน้าที่เรียนให้เข้าใจว่านาบีทํำยังไงนบีปฏิบัติอย่างไงนบีพูดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าจากพวกเราวันนี้ก็ซอบา้นานนบีทําอะไรเรียนแบบนบีและเรียนแบบซอบา้านเท่านั้นเรียกว่าสุ น, นัขนบีมีกี่ข้อนะสมข้อเกาลีเฟียลี ตักรื่อยเเฉพาะนะคาลีตักรฟิอาลาวลีฟิอลตักรพูดของท่านนบีการปฏิบัติของท่านนบีการที่ท่านนบียอมรับสหภาปฏิบัติทั้งหมดสารายการเป็นศุนหนักของท่านนบีทั้งหมดนะพี่น้องาต่อมาครับว่มาว่อินตุติอูตะดูรงนี้ประวตินีดีมากนะ ว่าอินตูเตอู้ฮู้ถ้าหากท่านทั้งหลายถ้าหากท่านทั้งหลายนี่นะตูเตอู้ฮู้เชื่อฟังปฏิบัติตามฮู้หมายถึงนบีมุัมมัดว่าินตูเตอู้ฮู้ถ้าหากท่านทั้งหลายเชื่อฟังปฏิบัติตามนบีม n ฮัมมัดแล้วเป็นยังไงครับอลัลลอยืนยันว่างไงนะตาตาดูอัลลอฮ์ตรงนี้นอัเลาะมันสบาใจนะ จะจดูสูเจ้าก็อยู่ในทางนําที่ถูกต้องตัดจะดูใช่ไหมเอานาบีมาเป็นตัวหลักถ้าใครที่ตามนาบีเขาอยู่ในทางนําที่ถูกต้องลแล้วสบายใจไหมทำดูดีเลยสบายใจเลยจะนั่นต้องเรียนฮะดิษแล้วอ้าวนาบีทํายังไงฮะดิษบุคอลีพี่น้องต้องไปซื้อมาแล้วนะ มัีทั้งหมดแปดเล่มทือก็แปลเป็นภาษาไทยแลย้วซื้อมาปีละเล่มสิมาอ่นานวันละห้าสองขดิษสองข้อดิษโอ้โล้ความรู้ทั้งหมดเลยนะ่เนะี่ยพออ่านบุคอลีจบแล้วก็อ่านมุสลิมอีกติดมีดีอีกนาซาอีกอิบนุมาญาทั้งหมดหกเล่มเนี่ยถ้ารวมแล้วก็โอ้เยอะเป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะ่ะสุนัข น, นาบีเนี่ยจับประญาณนี้ให้แน่นนะ ว่าอินตูตีเอาทหากท่านทั้งหลายเชื่อฟังปฏิบัติตามหู้ปฏิบัติตามใครตามน บ, บีตา ะ, ะดูพวกท่านจะอยู่บนทางนำที่ถูกต้องสบายใจไหมสบายใจเลยมาต้องมองหาใครเป็นแบบแล้วหาใครนะหาน บ, บีเป็นแบบพอแล้วต่อมาครับวัวมาอัลรอซูล ว่ามาอัลลอฮ์สูลและไม่มีหน้าที่อันใดมาราะว่าไม่มีอัลลหน้าที่อัลลอสูลก็คือรอสูลหน้าที่ของรอสูลไม่มีครับหน้าที่อื่นไม่มียกเว้นอิลลัลบลาบะบารหมายถึงตับลิอดกันลนั่นหน้าหน้าที่ของนบีก็คือการเผยแผ่บาระหมายถึงทำให้ถึง ไปเผยแพร่แบบไหนครับอัลมูบินเผยแพร่อย่างจางแจ้งชัดเจนคำพูดของนบีไม่มีข้อสงสัยใดเลยไปนอนอัลลอฮ์เห้นไหนี่กูอานยอมรับในตัวท่านนาบีว่าท่านนาบีเนี่ยเป็นผู้นำเอาศาสนามาจากอัลลอฮ์ผู้ใดที่ปฏิบัติตามนาบีคนนั้นเป็นคนที่อยู่ในทาง น, นำและหน้าที่ของนบี ไม่ได้มาสอนวิธีการห่งอาหารหูนข้าวบกอร่อยอร่อยทอยํายังไงถามนบีไม่ได้ทํานายอย่างไงให้ข้าวงามถามนาบีไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งนบีเคยเคยพูดกับคนที่กําลังทําอะไรอยู่เบืองต้นอดไนะต้นอ่าต้นอะไต้นอินทรพลมมามน่ะนบีถามว่าทําอะไรก็อยู่นะ่ะกําลังทําต้นอินทรพลามฉันจะให้มันงาม นบีพูดสัพ์คล้ายๆกันว่าอาอย่าไปทําอะไรเยอะลเลยเลอะก็ทิ้งมาเมือนก็บนบีเตือนอย่าไปทําปล่อยไปงั้นแหละพอปีต่อมาอินพาลามไม่ออกออกน้อยแล้วก็มาหานาบีนบีอินพาลามออกลูกน้อยมากอ่ะก็ฉันบอกคุณแล้วอ่เรื่องเรื่องอินพาลามจะออกลูกโดกหรือไม่ดกอย่าถามฉันให้ไปถามคนอื่น ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยให้ถามฉันถ้าฉันบอกว่าทำทำบอกว่าไม่ทำก็อย่าทำจะนั่นในเรื่องจะให้อินทรพลำงอกงามทาําไงก็วิจัยกันสิอวิจัยกันให้อินทรัมำออกดอกเยอะๆออกลูกเยอะๆทําไงก็วิจัยกันถ้าเรื่องศาสนาน่าถามฉันจะให้อาราพอใจทํำยังไงจะไปสวรรค์ทํำยังไงจะไม่ให้ตกนรกทาําไงก็ถามฉันแสดงว่าเรื่องดุนยาพ ว, พวกคุณก็เรียนกันเอง ถามใครก็ถามไปแต่เรื่องศาสนาให้ถามฉันคนเดียวอย่างนี้พี่โตอะทีนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่านาบีสอนอย่างนี้นะครับมันอาตออานีดาคนลันยันนะผู้ใดที่เชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเขาจะได้สวนสวรรค์เป็นอุลัยหม่ามบุคคลีอธิบายอย่างนี้นะครับคำสอนของนบีเนะี่ยสุนานะนบีนะ่ยแบ่งออกเป็นสามรายการรายการที่หนึ่งเาเรียกว่าเกาลี สุนนะที่ท่านนบีพูดรายการที่สองสุนนะเฟอาลีสุนนะที่ท่านนบีปฏิบัติสุนนะที่สามก็คือที่สุฮาบะปฏิบัติต่อหน้านบีนบีเห็นนบีไม่ได้ห้ามนั่นก็เป็นสุนนะอธิบายอย่างงี้เอาสุนนะเก่าเกาลีก่อนนะสุนนะที่ท่านนบีพูดและทุกคนจะต้องนอมรับปฏิบัติอันอันอันสฟะกอละกอละสุลลลลอฮลลัลลอฮนัลลัมท่านนบี สอนว่านี่สุน้าเกาหลีนะนบีสอนว่าไงนะอินนัชัยตอนยัสตะให้ลุดตลอมอัลลอฮฺยัซกุรอสมาลลอฮฺอัลเลฮีนบีสอนอย่างนี้ใครที่กินอาหารเอาเรื่องง่ายๆก่อนใครที่ทานอาหารและไม่กล่าวนามของอัลลอ์กล่าวว่าไงบิสมิลลเพียงแค่นี้อย่างเดียวนี่นะ ยั ah ush, ่ต่ให้ลุชไยตอนเท่ากับเปิดโอกาสฮาลานให้ไซัยตอนมาร่วมกินอาหารกับคนคนนั้นเห็นไหมนี่เป็นคำพูดของท่านนบีเขาเรียกว่าเกาหลีนบีพูดแบบนี้เป็นสุนนะนบีทะานนั้นทุกคนต้องเชื่อวอรถ้าใครที่ทานอาหารพรยาไม่อ่านบิสมิลลาก่อนกินอาหารใครมากินด้วย ชายตอนสามีไม่อ่านบิสมิลลาตอนกินอาหารชายตอนมากินด้วยไอเราสองคนอาจจะไม่เท่าไร ล, ลูกเราละ่ะอยู่ในบ้านเดียวกับเราเนี่แหละมันไม่อ่านบิสมิลลาหน่านะทำไงแต่เราก็ไม่รู้มุงทีพ่อแม่ก็ปล่อยเอา้าทานกันไปนะทานให้อิ่มนะแต่ลืมสั่งลูกบิสมิลลาด้วยนะบางทีม่มก็ลืมพอลูกกินอาหารโดยไม่อ่านบิสมิลลาใครนั่งอยู่ด้วยชายตอนนั่งอยู่อย่างนี้เป็นตน้น แสดงเป็นองครับนี่ไงคำพูดของท่านนบีกลายเป็นสุนนะของท่านนบีทุกคนจะต้องนมรับนะครับตัวเรื่องว่าก่อนจะอ่านก่อนจะกินอาหารจะกินอะไรก็ตามให้กล่าวว่างนะบิสมิลลานี่เป็นสุนนะกาอูีอาต่อมาเป็นเป็นเป็นเสุนนะเฟลีสุนนะเฟลีอธิบายอย่างนี้ท่านนอมานบินบาชิดรดิยัลลอฮ์อัลลอฮฺได้รายงานบอกว่าขาท่าลลอฮท่านลลอฮเนี่ย อยู่เซวีสูฟูฟานาอิลากุ้มนาลุสลท่านนาบีเนะี่ยเป็นอิหมามนำนำมาเนี่ยนบีจะจัดแถวนะีนบีจะหันหน้ามาที่แถวแล้วมาเอามือมาสั่งทำนี้ทำนี้นี้ยืนชิดกันเนี่ยนะหน้าที่ของอิหมามทุกคนพอไปยืนเป็นอิหมามป้าต้องทำหน้าที่เหมือนนบีนบีทำเลยเอาชิดกันชิดกันแถวตรงแถวตรงตรงตร ง, ตรง ฝ้ายดัสแตไว้นะกับบรารอเมื่อแถวตั้งตรงแล้วแล้วก็ชิดกันแล้วกับบรารอดนบีก็ยกมือตักเบ็ดถ้าแถวยังไม่ตรงแถวไม่ชิดกันตักเบ็ดไหมนบีไม่ตักเบ็ดถึงจะยืนหนึ่งนาทีก็ไม่เป็นหา้าเพราะตั้งแถวแล้วจะยูนตรวจแถวแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สองคนที่ทําตามนบีก็ไซนาอุมัดก็ที่จะลอ้อมันดูบรรดาซอ บ, บ้านนบีถ้าเป็นอิหมามใครดีนะ เขาจะเข่งคัดว่าเรื่องแถวมากเลยสังเกตโรงเรียนไอโรงเรียนหรือมัสยิดที่เขาใจสุนน่าเนี่ยเขาจะตั้งแถวให้ชิดชิดชิดชิ ด, ช ด, ชดแถวจะไม่ห่างไม่ห่างไม่ห่างไม่ห่างท่านมัสยิดที่ที่ไม่สนใจสุนน่าน่นะพออิหม่ามเข้าไปก็หล่อหุบบัดมุมจะเป็นยังไงก็าตามแต่ ม, มุมจะเข้าแถวชิดหรือไม่ชิดยิ่งนามาดเนี่ย นามาตคนณตายอ่ะนมานตอะไร น, น, น, นั่นนามาตยานาจ่าเนี่ยพี่ต้องสังเกตดูสิไม่มีใครให้ความสําคัญกับการตั้มแถวเลยยืนนามาตยานาจ่าผมสังเกตนะเหมือนกับยืนดูมวยเลยนะมึงยืนกันอย่างงี้สเปซสปาเนี่ยฉะนั้ในกลุ่มที่เข้าใจสุนหนะเนี่ยก็ต้องนึกนะครา้งวันนามาตไม่ใช่นามาตเพระ ด, ดูอย่างเดียวนามาตญานาจ่าด้วยนะต้องตั้งแถวให้มันตรง ไม่ตรงไม่ได้มันต้องตรงก่อนเนี่ยมาจากนี้เป็นต้นนะนะฉะนั้นพญาตั้งแถวให้ตรงนี่เป็นสุนนะเฟียรีนบีปฏิบัติเองเป็นหันยึของอิหมามของใครนะเป็นหันยึดของอิหมามบูดาวูด์ต่อมาขันยึว่าสุนนะตักเรรีสุนนะที่ซอ บ, บาทํานบีเห็นนบีพอใจขอยกตัวอย่างอันกอยซิบเนอัมรินรดิอัลลอฮุอะลัยฮุอะ ร, รักษา رسولullah ซลาะนุ้ละศาลัมรัจลุละนจุศลลีบล่บาดะศลาติศุบฮีรักอาตายนี่นบีเห็นชายคนหนึ่งนมาสองรักอาต์หลังจากนมาซุโบะนบีเห็นชายคนหนึ่งเห็นสฮะบาญนาบีน่ะนมาสองรักอาตหลังจากนมาซุโบะจบแล้วฟาก็ละละสูรุลลอห์านาบีถามถามชายคนนั้นบปลว่า สลาตัซุบไฮร็อคอตานีนบีพูดแค่นี้นะนามาซูโบมีแค่สองรอะอาตและคุณทำอะไรอีกหลังจากนามาซุบก็ฟาก็ารอรออยู่ชายคนนั้นมาถึงซาบะคนนั้นตอบบอกว่าอินนีลอากุนสลาตุรอคอาตัยนิลลตนอบลาหูมาฟะสลายตัวูมาอัลอฮฺฟะซะกะตาร์ซูลุลอนบีพูดเป็นภาษาอับดับนะครับบอกว่าชายคนนี้ตอบบอกว่า ฉันเนี่ยไม่ได้นามาสุนัตก่อนนามาสูโบสองรักอาต์ก่อนนามาสูโบสองรักอาต์เป็นสุนันนบีใช่ไหมเป็นสุอาต์โมอาการ ด, ด้วยนะแต่ชายคนนี้ไม่ได้ทําคือทําไม่ทันนะก็มาก็เห็นนบีเข้าแถวก็เลยนามาตามตามแถวนบีฉันเลยมานามาสองรักอาต์หลังจากนามาสูโบจบแล้วเล่าให้นบีฟังฟาซากาต้ารอสูร์ลอนบีเงียบไม่พูดอะไร อาจารย์ก็บอกไงอาจารว่านามาตสองรักษากรก่อนนามาสุโบถ้านามาตไม่ทันมานามาที่หลังได้ไหมได้นี่ไงเป็นสุนนะเรียกว่าตัตรีรีสุนนะที่นบีเห็นสอนบ้าปฏิบัตินบีถามนบีก็ไม่ได้ทุกวันกินพิธบอกอ้าวนบีก็เงียบพอเงียบอาจารว่าใช่ได้ดังนั้นใครที่มาไดนามาสุนนะสองรักษาก่รก่อนนมาสุโบ มาใช้ตอนหลังได้ไหมได้แต่อุลมามะก็แนะนําอย่างนี้เนะี่หนึ่งตอนตะวันขึ้นแล้วเนี่ยให้นมาดดูฮาด้วยแล้วก็นมาดอะไรนะนมาดสองแล้วก็อัดก่อนนมาดสูบบัที่เราค้างไว้เนี่นะจะเป็นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือหลังจนดวงอาทิตย์ขึ้นก็ได้เนี่ยอุลมามะมาแนะนําเสริมต่ออีกก็เราก็ทำได้สองอย่างนะหลังนมาดสุบบัทําได้เลยก็ได้เหมือนสอบาย ทำต่อหน้านาดีหรือจะทำหลังตะวันขึ้นแล้วเนี่ยมาช้าอีได้ไหมได้มีอยู่สองสองวิธีอ้าวทำโดยลลาเนี่เป็นสุนนะนาบีตัตงหมดสบายใจถ้าจะทำก็เออทำตามนาบีแล้วมันสบายใจจริงๆนี่ไงก็เรียกว่าสุนนะสามอย่างเฟียลีเกาลีตักรีนีมีอยู่สามรายการอ่ะสุนนะจะพาะตัวนาบีก็มีเช่นอย่าทาตามนาบีไม่ได้นะ นบีมีภยาเกินสี่เราจะเอาตามนบีอย่าอย่าอ ย, า อ, ยาอันนี้เฉพาะนบีอย่างเดียวมีอยู่หลายเรื่องเดี๋ยววันหลังอธิบายให้ฟังนะครับผมเอาต่อมาครับอวันนี้เสริมินินึงนะพี่น้องสุนนะนบีกับบรรดาอิหมามถามว่าอิหมามทั้งสี่เนี่ยอิหมามพานาฟีอิหมามชาฟีอิหมามมาริกีเนี่ยแอนตี้สุนนะนบีหรือไม่แอนตี้สุนนะนบีเขามองสุนนะนบีเป็นยังไง อิหมามทั้งสี่นะหรืออิหมามเป็นร้อยร้อยคนนี่นะไม่มีอิหมามคนใดแอนตี Anti ้สุนนะนะบีไม่มีใครสักคนนะี่นะไม่มีอิหมามคนใดที่แอนตี้สุนนะนะบีไม่มีใครสักคนหนึ่งในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหมามชาฟีฮัมบาลีมาลีกีฮานนฟีไม่มีใครแอนตี้สุนนะนะบีเลยมีแต่ชอบสุนานะนะบีทั้งหมดขอยกตัวอย่าง ท่านอิหม่ามอบบูฮานิฟ่าถูกถามอิหม่ามฮานิฟ่าตอนมีชีวิตอยู่นะถูกถามมีคนถามบอกว่าอิซากุลจากอัลันเมื่อท่านนี่ยนะพูดพูดสอนสอนสอนแล้วคาพูดของท่านนี่ยมันไปขัดกับอัลกุรอานเนี่ยทายังไงท่านตอบเลยนะอุทุลุกูจงทิ้งคําพูดของฉัน บิคิตาบิลละและไปยึดเอาคำพีกุรอานแทนอย่าเอาคำพูดของของฉันไปขัดกับกุรอานไม่ได้ถามต่อไปอีกฝัตี้ละมีคนถามอีกอิราก่านะข้อบารุณรอซูลิยูคอลีฟูถ้าสุนนะของท่านนาบีเนี่ยไปขัดกับของที่ท่านสอนที่ท่านพูดาำยังไงอิมามอบูฮุฮานีฟาตอบบอกว่าอุทรุกูเกาหลีจงทิ้งคำพูดของฉัน บีขอบาริรสูลิแล้วแล้วก็ไปยึดสุนนะของท่านนะบีแทนเห็นไหมอาต่อมาอีกมิคนถามอีกอิดากานะน์ก้าวลุสซอฮาบะแต่าหากคาพูดของซอฮาบะไปขัดกับคําพูดของท่านละ่ะทํายังไงท่านตอบว่ายังไงนะ่ะอุทุรูกูเกา้าลีบีเก้าลุสซอฮาบะจงทิ้งคําพูดของฉันแล้วก็ไปยึดคําพูดของซอฮาบะแทนนี่อิหม่ามอบาับบาคารี จากหนังสืออักดิลใจยหน้าที่68ไปเช็คดูได้พี่น้องอ่ะต่อมารอิมามชาฟีพูดยังไงเรื่องสุนนะนบีเนี่ยเขาแอนตี้เลือกข่าสนับสนุนอันิชาเฟรีราฮิมาฮุลลออันนหูก็อิมามชาฟีพูดอย่างนี้อิดาวะจัดตุมฟีกิตาบีขิลาฟะซุนนาติรัซูลิลลอิมามชาฟีสอนนะ ถ้าหาท่านทั้งหลายไปพบในหนังสือของฉันจะเป็นหนังสืออะไรก็าตามที่บาชาีบีเขียนเขียนเขียนเอาไว้เนี่ยพี่น้องขลาฟไปขัดแย้งกับสุนนะของท่านนาบีฝากูลูบีซุนนาติบัสูลินละสุลัลาสลามอิมามชามีบอกว่าจงยึดสุนนะของท่านอสซู ล, ลุลลอ์ว่าดูอามากุลตุและให้ทิ้งสิ่งที่ฉันพูดนี่มาชาบีนะ จมั้ยว่าทุกคนเนี่ยสนับสนุนสุนนะหมดเลยอย่าเอาคําพูดของฉันเรื่องของฉันไปใดไปขวางกับสุนนะนบีอย่าอย่าทำนะเอาต่อมาวาฟิลิวะยะอีกรายงานหนึ่งฟัตตาบิอัฮะจงปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีวาลาตัลตาฟิตูอีลาเกา้าเลยอาฮัดินอย่าหันไปมองคําพูดของคนหนึ่งคนใดอย่าไปยึดคําพูดของคนนั่นคนนั่นคนนั้นคนนี้น แล้วมันขวานกับสุนานานบีนะ่อย่าไปยึดของคนมาขวานสุนาขนาบีนี่ใครพูดนะอิหมามชาฟิอีพูดจากหนังสืออิหมามนววีอิบนูกอ ย, ยมอกิมอิบนูอาซาเกตหน้าที่เจชื่อหนังสือฮัตติกตุลฟิกก์เอามาดูอีกอิหมามอิหมามมาลิกนะครับอธิบายอิหมามอััดอิหมามอดัดบินอิหมามอัลัมดาฮัมบลีนะ สอนอย่างนี้และทุกคลลีดูนี่อย่าเลียนแบบฉันตักลีดมาถึงเรียนแบบตาบอดถ้าเรียนแบบนบีเขาเรียกอิตติบา้าเรียนแบบคนเรียกว่าตักลีดอย่าอย่าตักลีดเขาเรียกตักลีดตาบอดเดินตามคนแบบตาบอดเชื่อคนกับไม่เชื่อนะบีใช้ภาษาต่างกันเชื่อนบีเขาเรียกวอิตติบ้บาถ้าเชื่อคนเรียกว่าตักลีดฉะนั้นอย่าอย่าตักลีด ขาสอนว่าละตุกอลีดูนี่อย่าเลียนแบบฉันที่ใครพูดนะอิหมามอัล oh, ฮมัดอินหามันว่ละตุกอลีดูมาลิกันอย่าเียนแบบอิหมามมาลิกโอ้เห็นไหมว่ละชาฟีฮีอย่าเรียนแบบอิหมามชาฟีฮีว่าละอูซาอีอย่าเรียนแบบอิหมามอูซาอีว่าละซูรีและอย่าเียนแบบอิหมามซรี วะคูสมินให้สุมาอัครูมินกิตาบิแลสุแต่จงให้ยึดของที่มาจากอัลกุรอานและสุนนะนบีแทนนี่อิหม่ามอามะอับมาอัตบินูฮัมบัมโอเฮียรพี่น้องครับทุกทุกไรนะทุกอุลมามะไม่มีใครแอนตี้สุนนะนบีไม่มีใครสักคนเองให้ทิ้งคำพูดของฉันแล้วไปยึดสุนนะนบีแทนนี่บรรดอาอุลามะ นะครับแตอ่อย่าพูดเมืองไทยนะเมืองไทยมันก็มีแอนตี้กันอะไรกันคนสอนสูน่ามาให้เข้าสู่เรา ม, มีมั้ยมีแต่สมัยสมัยก่อนสมัยชาฟีเนี่ยนะเอามาเลยคยนทะี่จะสูนาเชิญเชิญทั้งนี้แต่สมัยนี้ออกไปออกไปอย่างนั้นหรึเปล่าก็ไม่รู้นะเขาทีสังเกตดูกว่เป็นยัางนั้นแต่ขอนเอาต่อแล้วให้เปลี่ยนแปลงดีกว่านะอเอาไเอาต่อมาครับวักสุดท้ายว่า อินตูตีเอาแต่จดูท่าสูเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามกระซูลสูเจ้าก็จะอยู่ในทางนําอัลลอฮ์พี่น้องโอ้เรื่องเยอะเรื ε, เร่องเยอะจะอธิบายเอาต่อมาครับอายาสุดท้ายอายาที่ห้าสิบห้าว่าดัลลอฮฺุลเลดีน่ามานูมิงกุมว่ามิลุซัล และَ س ْัَลิฟันนักุมใน ي ن ร์َีกามัตตْคَิََนละดีนัَนในกَลิหิมแล ن ยุมาคินันนัّ ذ ِมดีَัَมุลละซิร์ตาลหุมอ่าَแค่นีَก่อ ل ว่าดัลลอฮุละดีนั้อแมนุมิ ك ُ م ْ وعمل الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ل i يمكيننا لهم دينهم إلا a ر تضالهم อัลลอฮฺอัลกุ t a ร Allahu ็นปร a วัติศาส n ร์นะค a ั a ข a n i p ะ ah n p e เ a ็นป ให้นึกถึงประวัติอายานี้ตงการจะสอนอย่างนี้นะประเทศเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านใดจะเข้มแข็งได้นะต้องยึดศาสนาคือคนในหมู่บ้านต้องเข้าใจศาสนาถึงหมู่บ้านนั้นจะเข้มแข็งถ้าคนในหมู่บ้านไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักอัลลอ์ไม่รู้จกัจกว AH, าซูล เศรษฐกิจจะแข็มแขรงไม่ได้แล้วก็ออนแอหมู่บ้านนั้นนี่ไปน้องนี่เรื่องใหญ่นะอาต่อมาครับคนระดับหนึ่งคนชั้นหนึ่งอาลาดา ร, รยาณ์นะคนประเภทไหนนี่อาจารนี่สอนนะคนชั้นหนึ่งอาลาดา ร, รยาคนระดับระดับอะไรนะว่าคนชั้นหนึ่งของของประเทศนะคนระดับไหนถ้าเรามองกันวันนี้นะหมู่บ้านน้าไม่ท่วมใช่ไหม หมู่บ้านใดที่น้ำไม่ท่วมหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านชั้นหนึ่งแต่กุรอานไม่จะสอนอย่างนั้นคุณอ่านว่าคนระดับหนึ่งก็คือคนที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วรู้จักรอซูลและปฏิบัติตามอ AH ัลลอฮ์แล้รอซูลหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านชั้นนำของโลกเคยมีมาแล้วเคยมีมาแล้วครับในประวัติศาสตร์เอาดูว่าดัลลอฮุลเลดีน่ามานูมินกุม วาอาดาบบ ว, ว่าสัญญาอาลัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแล้วสัญญาของอลัลลอฮ์นี่จริงไหมจริงครับอลัลลอฮ์ไม่เคยเบี้ยวสัญญาใครเลยเอาสัญญาวันเด็กที่อยู่ในครนเก้าเดือนต้องคลอดไม่ใครหลงหลงลืมลืมสักสองปีมีไหมไม่มีครับไม่ถ้าออกกร อ, อีกสัญญาของอลัลลอฮ์นี่แน่นอนครับไม่เคยเบี้ยวสัญญาเนะี่ย ว่าอัลลอฮฺุลลอฮฺดีนะอามานุมิงกุ้มอัลลอได้ทรงสัญญาบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺดีนะอามาบรรดาผู้ศรัทธามิงกุมในหมู่สุเจ้าและทำอะไรอีกว่ามีรูสอหรือฮัและประกอบการงานที่ดีทั้งหลายอัลลอสัญญานะคนที่มีอีมานและคนที่มีอามัณทีซอลและอัลลอลลจะให้อะไรครับ ลายาสตาขลีฟานนากุมฟิลอารุแน่นอนอัลลอฮจะทรงทำให้พวกเขาเท่วนั้นปกครองเป็นคลีฟะปกครองแผ่นดินนั้นอัลลอฮ์จะให้คนที่มีอิมาและคนที่มีอามันจิสรและได้มีอำนาจปกครองแผ่นดินนึกถึงใครนบีก่อน ถามว่ามักกะกับม ด, ดินาวันนั้นน่ะก่อนนบีจะมานา่ะใครครองอยู่คนกาเฟใช่ไหมพออัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาสิบสปีสิบสามปีที่นครมักกะสิบปีที่นครม ด, ดินาแค่ยี่สิบสามปีนบีปฏิวัติเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเหมือนทั้งม ด, ดีนานี่อัลลอฮ์มีไฮโลมีการพันนานมีโสเพนีมีซ่องโสเพณีเต็มไปหมดที่มักกะกเหมือนกัน แค่เอาอิสลามอีมานต่ออัลลอ์และนบีสอนนะสอบ้านนบีครับอิสลามปฏิวัติสิ่งเหล่านี้ออกเกลี้ยงหมดเลยแค่ย3่สิสามนี่กรณีตัวอยา่างละยัสตัคลิฟันนะกุมฟิลอารดีอัลลอ์ว่าฉันจะทำให้พวกเขานั้นสืบช่วงปกครองหน้าแผ่นดินเหมือนใครเหมือนนบีสุลัยมานางไงพี่น้องสัญญากับนบีสุลัยมานเป็นอะไรนะเป็นเป็นษั์เป็น k ิง ฉะนั้นให้ดูชีวิตของนบีสุลมานนะ่ะอยู่ในประสาททํายังไงอัลลอฮ์เมตายนะพี่น้นองต้องศึกษาประวัติของนบีสุลมานเขาอยู่กันยังไงอย่างอัลลอฮ์ไม่โกรธนะแต่ไม่ฝึกษาของฟาโร่อัลลอฮ์โกรธหรือไม่โกรธโกรธใช่ไหมนี่กรณีตัวอย่างเนี่ยส อ, สองผู้ปกครองใหญ่ๆของโลกนบีสุลัยมานอัลลอฮ์เมตตายังไง แล้วก็ฟาโร่อัลลอ์ลงโทษยังไงทงั้งๆที่อำนาจเท่ากันเลยนะปกครองทั้งสองคนนะแต่อัลลอฮ์มั่นไส่าฟาโร่ยกย่อมนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งอะไรนะพระราชวังนะของนบีสุไลมานนะแค่พื้นธรรมดา น, นางบิลกิสจะมาเยี่ยมนบีสุไลมาน เอาละให้อำนาจแน่บสลยมันคือยินช้ตอนเนี่ยเป็นลูก น, อกน้องแนเบสลยมันหมดให้เอาพระราชวังมาของบิลกิสน่เอามาเห็นแล้วก็สร้างตรงนั้นเลยน่ะพอนางเบลกิสจะเข้าไปในพระราชวังแค่เจอพื้นน้ำานี่นะพื้นทรายพื้นดินพื้นน่ยพื้นปู น, นี่นะนึกว่าน้ำพอเข้าไปทีโอ้โล่วก็น้ำไหลน่ะยกเท้าดักรุณอ่านอธิบายนะ ยกเท้าเห็นขาอ่อนเห็นขานี่ขาวยกผ้าพเพืนโยกไม่ต้องยกเห็นหินธรรมดาครับหนาแตกไหมนั่นการปกครองของนบีสุลมานขนาดสร้างอาคารธรรมดาพระราชาชุบาเนี่ยมองจากหินกลายเป็นน้ํานั่นการปกครองของกายของนบีสุลมานรับอิสลามกันหมดเลยที่ละคนละคนละคนละคนละคนละคนลอมาดูฟาโรสิ ใช่ไหมอลัลลอฮฺมัน่นไส้ให้อำนาจตั้งเยอะแยะแต่ไม่เคยสูญอยู่ต่ออัลลอฮฺปกครองคนโดยไม่เอา إ ي م านมาปกครองคนลําบากจะตายไปถ้าปกครองคนให้มี إ ي ม ا ن น, นี่ง่ายนะเข้าใจผิดคิดว่าเอาเงินมาปกครองไม่สําเร็จครับถ้าจะปกครองคนปกครองคนในบ้านนี่แหละถ้ามี إ ي ม ا ن น, นะพ่อมี إ ي م านแม่มี إ ي م านสอนให้ลูกมี إ ي م านอัลลอฮฺอัก บ, บัดปกครองง่ายมากถ้ามาให้ลูกเรียนศาสนาสิ โอ้โหเหนื่อยไหมเหนื่อยอ้าวอย่างวันนี้มีอยู่ห้าคนในบ้านพ่อแม่บวชอีสานคนไม่บวชน่ะทำไงเรียนบิยโทอ่ะบัิดน่ะเรียนแพทย์ปีหนึ่งธรรมศาสตร์โอ้โวัวฉะนั้นถ้าจะปกครองประเทศใดหมู่บ้านใดนะครับให้ทุกคนเข้าใจอิสลามนะ่ยอ๋ออัลบาติปกครอง อัลลอฮฺสัญญานะว่าอาดัลลอฮฺละลีน้าอามันุมิงคุมว่อามิลุสซอลิฮัติลายสตัคลีฟัดนักุมฟิลอาร์ดใครที่มี إيمان ต่ออัลลอและมีอามันที่ศอลและอัลลอฮฺสัญญานะจะให้พวกเขาเหล่านั้นให้ท่านทั้งหลายน่ะปกครองสืบชว่วงการปกครองไปแผ่นดินของอัลลอฮฺสุบฮานาอูบู a าตาลเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนใครเหมือนซวาบานนบีไนาอุมาดอบูบากอุสมานอนบีพูดอีกนะ หลังจากฉันตายไปแล้วจะมีการปกครองแบบอิสลามประมาณส0สิบปีก็ครบพอดีไงไซนาอบูบากัตปกครองอยู่สองปีครึ่งไซนาอุ ม, มะสิบสองสิบี่ปีอุสมานสนาอาลีรวมแล้วประมาณ3าสิบกว่าปีเป็นกรณีตัวอย่างให้ชาวโลกได้เห็นว่าอิสลามอีมาแดออัมันดิโซและทำให้ประเทศชาติเจริญได้ด้วยเอาต่อมาครับ อามัสตักลาฟัลลีนามิงกอบลิฮิมดังที่ได้ทรงทำให้บรรดาก่อนหน้าพวกเขาอิสตลฟสืบช่วงการปกครองมิงกอบลิฮิมก่อนหน้าพวกเขามาแล้วใครยุค ข, ของนบีสุไลมานอะลัยฮิสาลาเห็นไหม ไปอ่านประวัติดูให้โลกมีครับน บ, บีสุลัยมานปกครองคนยังไงฟาโร่ปกครองคนยังไงสองกลุ่มนี้เป็นยังไงประศึกษาเองจะมีจะมีความรู้เยอะมากครับพี่น้องจากนั้นในกูอ่านสอนให้เรานึกถึงประวัติศาสตร์ถ้าต้องการจะให้มีการสืบทอดการปกครองประเทศที่มีต่ บ, บรกิการมีความเจริญเดินมีรีสกีลงมาจากฟาดฟาพี่น้องสมามเสมอให้ดูตัวอย่างของคอรลีฟ้า สี่ท่านแล้วก็อยู่ตัวอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลต่านในการปกครองเป็นเป็นยังไงเอาขอเล่านิดยนึ้ยนะีะผู้หญิงทองอ่ะรุ่นนบีสอนอยังไงอ่ะนบีสอนว่าคนที่ทําำศนาถูกถูกลงโทษกําลังตั้งคันอยู่พอซู้ลอชานเนี่ยตั้งคันพอทำศีลเห็นไม้มสมัยนี้มีป่ะมันจะหลบเป็นหมดใช่ไหมไปหาหมอทําทวงทําแท้งกันอะไรกันแต่สมัยนบี มหานาบีนบีจา่าฉันนี่ท้องนบีจาัด ก, การหน่อยนบีกัมเบิร์นะ่ะเอ็งจะมาทําไมว่าพอนบีเอาเอาไปให้ลูกคลอดก่อนพอคลอดลูกเสร็จแล้วเนี่ยอุ้มลูกมาเนี่ยลูกคลอดแล้วนบีกลับไปคอนให้ลูกทิ้งนมก่อนพอลูกทิ้งนมแล้วให้ลูกกินขนมปังได้โรตีได้ถือมานี่ลูกจะทิ้งนมแล้วนบีทําไง นั่นน่ะน่าดีสอนอยังไงอ่ะคนกลัวอร่อยอ ก, กันหมดแล้ววันนี้เป็นไงไปนอนฝ่าฝืนคําสั่งมาแล้วฝนตกไม่มีบราการน้ำท่วมอย่างเดียวต้นไม้ไม่เจริญใช่หรือไม่ใช่สังเกตดูสังเกตดูเนี่ยยินมันตรนบ้านเราของใช้เต็มไปหมดอาหารเนี่ยทํางซีฟูด้ดสารพัดอาหารอินเดียอาหารแขกอาหารต่างประเทศกินกันเมนูแปลกๆจากคนในบ้านทรยศต่ออรอ่อยมาสั่งงานงามตรงไหน ก็ขอให้ฝากให้คิดกัแล้วกันนะครับออาต่อมาครับว่าายูมักกินาละหุมว่ลายูมักกินานนละหุมและแน่นอนพระองค์จะทนมจะทรงทำให้ตั้งมั่นหรือมั่นคงให่ไหมดีนะหุมาศาสนาของพวกเข า, าศาสนาอะไรครับที่อเลอ็กอิรตาดลาหุม ศาสนาที่พระองค์ได้ทรงเลือกเอาไว้สาหรับเขาศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงพอใจศาสนาที่อัลลอ์เห็นด้วยศาสนาที่อัลลอ์ยินยอมให้เป็นศาสนาคือศาสนาอิสลามถ้าหากยึดอัลลอ์และระซูนอัลลอ์ Allah จะให้ศาสนาในหมู่บ้านนั้นในประเทศนั้นมั่นคงอยู่คือศาสนาอิสลามฉค่ศาสนาอิสลามคทนั้นเอง ที่จะปกครองคนได้แบบสงบถ้าวายหูดีรู้ไหมรู้ครับมันก็อ่านอญญายะนี้เหมือนกันแหะเพราะอ่านแล้วว่าฉันไม่พอใจจะให้มุสลิมเข้มแข็งฉค่นั้นฉันก็ต้องลุยลุยแบบไหนไปน้องก็รู้นะสนับสนุนผู้ก่อเนี่ยผู้ที่ไม่เห็นตรงกันข้ามเนี่ยมาเล่นงานให้ระเบิดนั่นระเบิดนี่ข่าคนนั่นจา้างคนนี้นี่วิธีการของยะฮูดีทั้งหมด ในรายละเอียดมีเยอะเล่าไม่ได้นะครับอาต่อมาครับวลายูบาดดิลนาหุมมินบาดดิเขฟีหิมอัมนาวลายูบาดดิลนาหุมมินเขาฟีหิมอัมนาเขาฟุนแปลว่าความกลัวอัมนาแปลว่าความปลอดภัยยุบัดดิแปลว่าเปลี่ยน ถ้าเอาอิสลามมาปกครองนะเอาสุนทรนาบีมาปกครองสอนให้คนในหมู่บ้านมี إ ม م ا ن มี إ ม م ا ن มีตั ก, กวามียักยีนมีเอเซามีอิคลาสมีสุนทรนาบีนะครับแล้วก็มีอามันติสอนและพระองค์จะเอาความปลอดภัยมาเปลี่ยนมาแทนความกลัวถูกว่านี่อยู่ในความกลั ว, นะ ร, วระเหวาราแวงกันไปหมดใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ระแวงกลัวไปหมด ถ้าเราเอาอิสลามมาปกครองในประเทศเราในหมู่บ้านเราในบ้านของเราเองนี่นะอลัลลอฮ์จะเอาความกลัวเนี่ยขจัดออกไปแล้วก็เอาความปลอดภัยเข้ามาแทนนี่อลัลลอฮ์สัญญาไว้เคยมีไหมเคยมีมาแล้วครับวะนะ่าไงสมัยท่านนาบีปกครองยี่สิบสาปีและคอลิฟ้าอีกสาสิบปีปกครองมาแล้วครับเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นวันนี้ทําได้ไหมได้ต้องรออิมามะได้ มาดีนี่ไงกําลังรอกันอยู่แต่ไม่ใช่น บ, บีคนใหม่นะน บ, บีคนเก่าที่จะเอาซุน่าน บ, บีมามาทําให้เข้มข้นขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่เท่านั้นเอง mm hmm. ตัวงว่าถ้าเอาอิสลามมาปกครองเป็นไงจะเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นความอะไรนะความปลอดภัยเข้าฟ า, าฟฮุมเข้าฟีหิมอัมนาความกลัวของภกเขาก็จะหมดไปเอาอะไรมาแทนนะอัมนาความปลอดภัยมาแทนนี่อัลลอฮ์สัญญา แสดงลูกๆทุกคนต้องฟังพ่อแม่ต้องเชื่อพ่อแม่ติดเป็นมุสลิมต้อเอาอิสลามจริงๆถึงจะบ้านจะปลอดภัยนะอาต่อมาคนจะปลอดภัยได้ยังไงประเทศจะปลอดภัยได้ยังไงต้องปฏิบัติข้อนี้มีเงื่อนไขนะยบูดูนานียาบูดูนานีพวกเขาทั้งหลายจะต้องเคารพพักดีต่อฉัน แล้วก็ต่อมาอีกข้อเน้นนะละยูสุริกูนบีไม่ตั้งภาคีใดๆกับฉันโตตะเกียต้องไม่มีโตระยองต้องมามีสังสิษถิต ท, ทั้งหลายในโลกนี้ต้องไม่มีถึงจะปลอดภยัยทำได้ไหมล่ะมีคำพูดออกมานะไม่เชื่ อ, อย่าหลบไปได้นี่แหละยาบูดูนันนีละยูสริกูนบี มีข้อแม่นะถ้าจะให้บ้านเมืองสงบนะครับพวกเขาจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียวให้ทําตัวเหมือนพี่น้องเราที่ทุ่งอยู่ทุ่งแล้วนะวันนี้ทุ่งอารอฟานี่แหละอยู่อย่างนั้นน่ะทําตัวอย่างงั้นนะ่ะพี่น้องผมอ่านหนังสือพิมพ์มาสอกหกเจ็ดเดือนน่ะเขารวมตัวกันที่ยูโรแก้ผ้ากันหมดเลยไม่รู้ประท้วงอะไรไม่รู้แต่นี่ประท้วง เลาเราจะอาพยโทษให้ฉันต่างกันั้มภาพสองภาพเนี่ยภาพพี่น้องมุสลิมขล้องชุดเอรอสมสองชุดนั่งร้องไห้กับอีกภาพนึงแก้ผ้าเอาเอาสองภาพนี้มาดูสิอาลัจะดสนางางกว่ากันใครที่อีหมานใครที่อัมั น, อ น, มนตอซอลแล้วเห็นชัดเลยอย่างนี้เป็นตัวภาพแก้ผ้านอนรินถนนเอาลองดูที่จุดเซนามิที่มาแครั้งที่แล้วเนี่ยพอแก้ผ้าใช้ไม่ได้พอทําดีน า, ช า, าใช้หาดใช่้ไม่ได้ พอกินเล่าชายหาใช่ไหมถึงญาติเราชื่อเินามิดนมาเยียมแล้วก็ตายกันเป็นล้านคนอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับยาบูดูนานีลายุชริกูนาบีเงื่อนไขสำคัญอยู่ตรงนี้นะพวกเขาจะต้องเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ลายุชริกูนาบีต้องไม่ตั้งพาคีใดใดกับพระองค์อาติบงอบาซิมัที่ขอถอดออกให้หมดไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้ ผ้าเขียวผ้าแดงที่จัวบ้านดึงออกให้หมดจึงจบทักไม่ปีปัญหานกแขกร์ร้องตอนสี่ห้าทุ่มไม่มีคนตายไม่เกี่ยวกันเลยทั้งหมดอัลลอฮ์บริหารคนเดียวเพราะมีสิทฝัตงตั้งเก้าสิบเกสิฝัต ร, รับผิด ช, ชอบคนเดียวเลยเราเนาาี่มีสิทธิ์ฝั่งห้ามีไม่มีมีสิทฝัตเดียวล่ะอันนั้นก็ต้องอาศัยคนอื่นแต่อัลลอฮ์ไม่อาศัยใคร เรามีเมียคนหนึ่งโอ้โมีซีฝาดเมียอย่างของเราอย่างอยู่กันได้ั้ยได้ลูกมาอีกคนโอ้มมีซีฝาดสามซีฝาอยู่ในบ้านเหล่านี้ดีมากเลยอย่างนี้แต่อัลลอ์องเดียวมีซีฝาตั้งเก้าสิเกาฝาม่ต้องพึ่งใครเราต้องพึ่งอัลลอฮ์เ้าเราวรัสุดท้ายครับว่ามังกาฟรบะดาซาลกฟาอลกะฮุมุลฟาซูนนี่ไงวรรสุดท้ายีะเตือน มังกฟาฟาร์ผู้ใดที่ปฏิเสธเรื่องเนรคุณหลังจากได้อ่านกุรอานญาณี้แล้วนะปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เลารอให้เห็นมาแล้วในโลกนี้ฟาอูลเอีกาหูมุลฟาซิคูลดังนั้นเหล่านี้พวกเขาเป็นพวกฝ่าฝืนอ่ไาไฟาซิก แล้วฝ่าฟื้อน่ะบรากาศโดยชีวิตมีไหมล่ะไม่มีค่ะอย่าลืมนะจะเอาซูนหานบีมาชาเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยเหนื่อยครับอัลลอฮฺอักบัตแต่นี่ผมขอสรุปชีวิตนะเอาคอลิฟ้าอุมัยกาแล้วกันปกข้ออยู่ส4บสี่ปีเนี่ยมีคนรับอิสลามกี่เมืองรู้ไหมหนึ่งพันกับสามสบหัวเมืองเขาจาว่าอิสลามอย่างเดียวสอนสอนคน คนที่บูชารูปเจเวททิ้งรูปเจเวทหันมาบูชาอัลลอฮ์อง์เดียวใช้เวลาแค่กี่ปีนะสิบสี่ปีสร้างมัสยิดสี่พันแห่งเห็นไหมนั่นสมัยคอลิฟ้าท่านไม่คอร์รัปชันท่านไม่โกงเงินรัฐบาลประกอบว่าทรัพย์สินหลังจากท่านเสียชีวิตน่นนะมีอยู่สีรายการหนึ่งบ้านหนึ่งหลังที่ทำมาจากดินบ้างคอลิฟ้านะ บ้านปธานาธิบดีอันที่สองแแหนึ่งอันเอาไว้ปลูกคนอมาอันที่สามก็มีล่อยานพานะหนึ่งตัวชื่อว่าล่อไม่ใช่มาไม่ใช่ลาล่อลูกมันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันแย่กว่าแย่แย่กว่าลาลนะูล่อล อ, อันที่สี่เสื้อผ้าเก่าเก่าบางตัวมีรอยปะนั่นทรัพย์สินของไซนาอุมัาเป็นคอลิฟ้าเป็นผู้ปกครองโลกสิบสี่ปี ตาดีมักกะมักนานนะทองเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าไม่เคยคอ้ารับใช้เลยมีอยู่สี่นี่ไงไปน้องครับถ้าผู้นําเอาอักลาของคอลิฟะมาใชานะ้น่ะโลกนี้จเจริญไหมจเจริญใช่ไหสี่ข้อหนึ่งมีบ้านหนึ่งหลังสองมีอะไรนะมีแซหนึ่งอันสามมีล่อหนึ่งตัวสี่มีเสื้อผ้าสามสี่ชิ้นบางตัวมีร้อยปะนี่คอลิฟะอยู่อย่างนี้แล้วก็คนรับอิสลาม หนึ่หัวเมืองสร้างมัสยิดอีกสี่ันแหงก็ขอฝากเป็นข้อคิดสุภาพนักรอมาว่าบีข a ามดีอัลลอฮฺอ a ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮัลลออัลลอัลลออัลลฮฺอัลลออัลลอัลลอัลอลัลลอฮฮ